วันนี้เป็นวันพร ะ, พระวันพระคือวันฟังธรรมวันเรียนความรู้ทางธรรมะศึกษาธรรมะเพราะธรรมะเป็นความรู้ที่สำคัญยิ่งกว่าความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีปัญหามีเรื่องต่างๆแต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมจะไม่มีความทุกข์ จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีปัญหากับอะไรนี่คือความรู้ท่งธรรมเป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้มีความรู้ธรรมนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเปิดวัด ให้ญาติโยมได้มาวัดเพื่อมาหาความรู้ทางธรรมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทรงบัญญัติไว้ทุกวันแปดคำ่คำสิบห้าค่ำหรือสิบสี่คำในบางเดือนให้เป็นวันพระวันธรรมมัชสวนาวันฟังธรรมมาเรียนรู้ ธรรมะที่จะสอนให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจให้เรียนรู้มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สามให้รู้ตนข้อที่สี่ให้รู้บุคคลข้อที่ห้าให้รู้สังคมข้อที่หกให้รู้กาลเทศะข้อที่เจ็ดให้รู้ประมาณ นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้ควรที่จะศึกษาให้รู้และให้เข้าใจและปฏิบัติตามที่รู้ได้เพราะความรู้นี้ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามที่รู้ผลคือความ ไม่มีความทุกข์ในใจก็ยังจะไม่เกิดรู้แล้วก็ต้องทำตามที่รู้ด้วยดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าการรู้ความรู้เหล่านี้ทั้งเจ็ดข้อนี้รู้แล้วให้ทำอย่างไรข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุเหตุคืออะไรเหตุคือสิ่งที่จะทำให้เกิดผล ผลคืออะไรผลก็คือความสุขความไม่มีทุกข์นี่อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการสิ่งที่เราต้องการคือความสุขความเจริญความแข็วคกราดปลอดภัยจากทุก์ภัยอันตรายต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความเสียใจความทุกข์ที่เกิดความ เหงาความทุกข์ที่เกิดความหึงหวงความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลความทุกข์ที่เกิดจากความวุ่นวายใจต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุดังนั้นเราต้องรู้จักเหตุว่าอะไรทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราทุกข์ เมื่อเรารู้ว่าอะไรทำให้ใจเราสุขเราก็ทำเหตุนั้นพอเราทำเหตุนั้นผลคือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเราก็ระ ง, งับการกระทำนั้นเสียเมื่อไม่มีการกระทำเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ผลก็คือความทุกข์ใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา นี่คือการรู้เหตุรู้ผลเหตุกับผลนี่ไปด้วยการเป็นคู่เหมือนสามีภรรยาเหมือนรองเท้ารองเท้านี่เขาขายเป็นคู่เขาไม่ขายทีละข้างมันไปคู่กันเท้าไปคู่กันมือไปคู่กันมือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขวา สามีภรรยาของเหานี้เป็นคู่กันเหตุผลก็เป็นคู่กันมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลตามมาดังนั้นถ้าเรารู้ว่าผลที่เราต้องการคืออะไรเราก็ต้องไปดูที่เหตุเพราะผลเกิดจากเหตุผลไม่ได้เกิดจากความต้องการความอยากของเรา เราอยากมีความสุขความอยากมีความสุขไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาความอยากให้ไม่มีความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความอยากความไม่ความไม่มีความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากความไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์กันทุกคนทำไมทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเหตุคือการที่ทาให้เราทุกข์นั้นเราไม่ระงับมัน เราทำเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันเราอยากไม่ทุกข์แต่เราไม่สามารถดับความทุกข์ได้ถ้าเราไม่ระ ง, งับเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะรู้ก็คือรู้เหตุเพราะเราต้องการผลผลเรารู้แล้วทุกคนนี้ไม่ต้องสอนเรื่องผลนี้ทุกคนรู้กันหมดทุกคนต้องการความสุข ทุกคนไม่ต้องการความทุกข์แต่ทุกคนไม่รู้เหตุของความสุขอยู่ที่ไหนไม่รู้เหตุของความทุกข์อยู่ที่ไหนก็เลยยังไปสร้างเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะไปสร้างเหตุที่เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผล อะไรคือเหตุที่ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ใจเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขความทุกข์ใจนี้ก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเหตุสอันที่จะทําให้เกิดความสุขความทุกข์ทางใจขึ้นมาการกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระทำทางวาจาเรียกว่าวัจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกระทำทั้งสามนี้มีมโนกรรมคือการกระทำทางใจเป็นหัวหน้าการกระทำทางวาจาการกระทำทางกายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีมนโนกรรมเป็นผู้สั่งการมนโนกรรมคืออะไร ก็คือความคิดเนี่ยเวลาเราคิดนี้เราเริ่มทำเหตุแล้วเหตุก็คือความคิดโมโนกรรมความคิดเนี่ยก็คิดไปได้สามทางด้วยกันคิดไปในทางดีคิดไปในทางไม่ดีและคิดในทางที่กลางๆไม่ดีไม่ชั่ว คิดแล้วก็จะเกิดการสั่งการให้เกิดการกระทาทางกายทางวาจาต่อไปแล้วพอคิดเสร็จแล้วเกิดการกระทาทางกายทางวาจาแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจก็จะสุขหรือทุกข์ทันทีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าคิดดีแล้วสั่งให้พูดดีทำดี ผลก็จะเกิดคือความสุขใจขึ้นมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีความทุกข์ใจก็จะตามมาถ้าคิดแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เกิดผลไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์ทางใจไม่เกิดการกระทําที่ไม่ดีไม่ชั่วอก็จะไม่มีผลตามมาะ ผลทางใจก็จะไม่เกิดเกิด ค, ความสุขก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเป็นการกระทำกลางๆ ก, การกระทำที่ไม่ดีไม่ชั่วดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มีความสุขใจเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีการคิดดีนี้คิดอย่างไรถึงจะเรียกว่าคิดดีก็คิดทำความประโยชน์ ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นถ้าเราอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดที่ดีพอคิดดีแล้วเราก็สั่งให้พูดให้ทำดีพอได้ทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมา เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาการคิดดีก็คือการทําบุญคิดคิดทําบุญนี้เรียกว่าคิดดีวันนี้วันพระญาติโยมคิดว่ามาบุมาทําบุญที่วัดกันมาทําความดีทําประโยชน์ให้กับพระให้กับวัดด้วยการนําเอาของใช้ไม่สร้อย เงินทองที่จะใช้ในการสนับสนุนให้พระให้วัดอยู่อย่างมีความสุขอันนี้คิดดีพอคิดแล้วก็สั่งให้พูดสั่งให้ทำทางกายทางวาจาสั่งให้พูดอย่างไรก็ชวนเพื่อนวันนี้ไปวัดไหมวันนี้วันพระไปทำบุญกันไหมอันนี้เป็นการพูดที่ดี ไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ฟังชวนให้เขาไปทาความดีกันพอเราพูดแล้วเขาชอบเขาก็บอกว่าไปสิไปด้วยกันก็เลยไปเตรียมข้าวเตรียมของซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำความดีซื้อของแล้วพอได้ของมาแล้วก็ ออกเดินทางมาวัดกันพอเดินทางมาวัดแล้วเราก็เอาเข้าวของมาถวายวัดถวายพระประโยชน์ก็เกิดขึ้นผู้รับได้รับประโยชน์ได้รับความสุขผู้ให้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือเรื่องของเหตุและผลที่จะทำให้เกิดความสุข ขึ้นมาก็คือการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่จำเป็นที่จะต้องทำกับพระกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้ความสุขทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่แก่ชราไม่มีใครดูแลเราเลี้ยงดูพ่อแม่ให้พ่อแม่มีความสุข ให้พ่อแม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราเราก็ได้รับความสุขใจได้บุญเหมือนกันพ่อแม่ของเรานี้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อแม่นี้ได้บุญมากได้ความสุขใจมากอันนี้ก็ เป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุและผลที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาส่วนเหตุและผลที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นอย่างไรก็คือการกระทาที่เกิดโทษแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเดือดร้อนเรียกว่าเป็นการกระทำไม่ดีหรือการกระทำบาปการกระทำชั่ว เริ่มต้นที่ใจก่อนคิดก่อนคิดจะไปขโมยข้าวของเงินทองของผู้อื่นคิดไปประพฤติผิดประเวณีชอบสามีชอบภรรยาของคนอื่นอยากจะได้เขามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเราก็ไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่น หรือไปทำลายทำลายชีวิตของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เกิดความเสียหายนี่คือการกระทำที่ไม่ดีเหตุที่ไม่ดีทำแล้วจะทำให้เกิดโทษตามมาก่อความทุกข์ใจเวลาทำบาปแล้วใจจะไม่สบาย ใจจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวจะต้องรับผลของการกระทำบาปเพราะผู้ที่รับความเสียหายย่อมคิดที่จะล้างแค้นอาฆาตพยาบาทไปทำให้เขาเสียหายทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็จะต้องมาทวงคืนพอเราทำแล้วเราก็จะต้องคอยอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อน อยู่แบบหวาดกลัววิตกกังวลเนี่ยความวิตกกังวลหวาดกลัวนี้ก็คือความทุกข์ใจก็จากการกระทาบาปอันนี้ก็คือเหตุที่ไม่ดีคือคิดไม่ดีคิดจะทำร้ายเูื่อนคิดไม่ดีแล้วก็จะพูดไม่ดีไปพูดยุยงไปไปกล่าวหา โดยที่ไม่เป็นความจริงกล่าวว่าหาว่าผู้นั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาอันนี้ก็เป็นการกระทำบาปทางวาจาพูดเท็จหรือการกระทำบาปทางกายก็คือไปทำร้ายไปทาลาย หรือไปเอาข้าวเอาของของเขาทรัพย์สินหรือสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเอาลูกเขาไปแต่งงานกับลูกเราก็ต้องไปข อ, อกันก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอากันไปอันนี้คือเหตุและผลที่ทำให้เกิดความสุข และความทุกตามมาถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ขอให้เราระ ง, งับการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพอเราระ ง, งับความคิดได้การพูดการกระทำก็จะระ ง, งับไปโดยปริยายตัวที่ สั่งการก็คือความคิดคือใจและนเราต้องคอยดูใจเป็นหลักดูสติมีสติดูใจคอยดูว่าตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่คิดดีหรือคิดไม่ดีคิดดีควรจะหยุดมันถ้ามันไม่หยุดก็ต้องเอาสติมาหยุดวิธีที่จะเอาสติมาหยุดก็คือ ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธพอคิดไม่ดีก็ให้หยุดมันด้วยการคิดพุโทโธพุธโทโธแทนคิดจะไปทำร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็ให้คิดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วพอเราคิดพุโทโธแล้วเราก็จะหยุดคิดในการที่จะไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนได้ เมื่อเราหยุดคิดแล้วเราก็จะไม่พูดไม่กระทำะเมื่อเราไม่พูดไม่กระทำสิ่งที่เสียหายความทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้นมา น, นี่คือเริ่มของเหตุและผลในชีวิตของเรานี่เราจะทำเหตุอยู่ตลอดเวลาเราคิดอยู่ทั้งวันตั้งแต่เตยขึ้นมานี้เราเริ่มคิดกันแล้ว คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดแบบกลางๆบ้างไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ทำแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแบบกลางๆงไม่ดีไม่ชั่วบ้างส่วนใหญ่เราจะทำแบบกลางๆกันการกระทํากลางที่เรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วนี้เป็นอย่างไรก็คือการกระทาที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน และไม่ได้ทําให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทําของเราเช่นการดูแลร่างกายของเรานี้เราไม่ได้ไปทําให้กับผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแต่เราก็ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์โดยได้รับความสุขเช่นเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัว นี่เป็นการกระทําที่ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ได้ทําใหา้ให้ใครได้รับประโยชน์หรือได้รับความสุขผลก็คือความทุกข์ก็ไม่เกิดความสุขใจก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้เป็นการกระทําบุญหรือเป็นการกระทําบาปนั่นเองแต่ถ้าเราไปคิดทำในสิ่งที่ เกิดความเสียหายแล้วไปกระทำหรือไปพูดแล้วทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเราถึงจะเรียกว่าเราทำบาป ก, กันหรือว่าเราคิดไปทำประโยชน์ไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นวันนี้เพื่อนเป็นวันเกิดเดี๋ยวไปซื้อของขวัญให้เพื่อนหน่อยล้วก็เอาของขวัญไปให้เขาไปแสดงความยินดีอวยพรวันเกิด เขาได้รับเขาก็มีความสุขใจเราก็ได้รับความสุขใจเพราะเราได้ทำความดีเราได้เสียสละแบ่งปันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องหมั่นทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นตามความสามารถของเราบางทีเราไม่มีเงินที่จะซื้อของมาให้เขาเราก็ทำอย่างอื่นก็ได้ มีฝีไม้ลายมืออาจจะวาดภาพเขียนภาพหรือจัดดอกไม้ทำอะไรสวยๆงามๆมาให้กับเขาเขาได้รับเขาก็มีความสุขได้หรือถ้าเขาทำอะไรทำให้เราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอาจจะเผลอพลังกัน พูดกันไปคุยกันมาเดี๋ยวอาจจะพูดสะเทือนใจกันถ้าเราโกรธเขาเราก็ให้อภัยเขาเสียอย่าไปตอบโตอ้อย่าไปพูดอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการกระทำความดีหรือเป็นการระ ง, งับการกระทาไม่ดีที่เกิดจากความโกรธให้อภัยอย่าไป โกรธแค้นโกรธเคืองใครเขาเขาพูดอะไรดีไม่ดีอมันก็ผ่านไปแล้วอใจเราโกรธก็ระงับมันเสียด้วยการให้อภัยแล้วความโกรธก็จะหายไปวิธีที่จะให้อภัยคนนี้วิธีง่ายที่สุดก็คือดูเขาว่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกันเรามักจะไม่โกรธเด็กใช่ไหมเด็กเล็กเด็กทารกเนี่เด็ก ไม่รู้ภาษีภาษาเวลาเ็าทาอะไรเสียหายเราไม่โกรธเด็กเราให้อภัยเด็กฉั้นใดใครที่ทาอะไรเสียหายเราก็คิดว่าเป็นเหมือนเด็กทารกแล้วกันแม้ว่าร่างกายจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจนี่ยังเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ยังไม่รู้ภาษีภาษายังไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว ถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วการให้อภัยก็จะง่ายและจะทำให้เราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปไปทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียใจในภายหลังพอเราโกรธเขาเราก็ไปด่าเขาไปทำร้ายเขาพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งเสียใจเพราะคนที่เราทำร้ายก็เป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เราลากเราชอบ แต่พอบางเอิันเขาอาจจะไปพูดหรือไปทำอะไรที่เสียหายเราก็เกิดความโกรธขึ้นมายับยั้งไม่ได้ถ้ายับยั้งไม่ได้เราก็จะไปพูดไปทำสิ่งที่เสียหายแล้วผลไม่ดีก็กลับมาหาเราคือความไม่เสียไม่สบายใจความเสียใจถ้าเราคิด ดีได้เอาความคิดดีมาหยุดมันได้คือให้อภัยคิดเสียว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนฟ้าร้องฟ้าแลบมาร้องแล้วแลบไปแล้วมันผ่านไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็อย่าไปเพิ่มความเสียหายด้วยการไปกระทําความเสียหายให้กับเขา เราหยุดด้วยการให้อภัยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกสบายใจภูมิใจแล้วเราก็ยังจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้นี่คือเรื่องของเหตุและผลที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราในปัจจุบันคือความรู้สึกทางจิตใจ คิดดีพูดดีทาดีจะเกิดความสุขใจขึ้นมาคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเพียงผลในปัจจุบันผลในอนาคตยังมีอีกไม่ใช่แต่เฉพาะจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นคือผลที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราตายไปแล้ว ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้เป็นผู้สั่งให้กระทํานี้ยังไม่ได้ตายและผลที่จะเกิดกับใจยังไม่หมดเพราะว่าการกระทําที่ดีและไม่ดีของเราในแต่ละวันและผลที่เกิดจากการกระทําดีไม่ดีในแต่ละวันนี้มันยังสะสมอยู่ในใจยังไม่หายไปหมด ผลที่เกิดอยู่ในใจคือความสุขหรือความทุกข์หรือบุญหรือบาปที่เราทำนี้มันยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ตอนที่ร่างกายตายไปนี่ผลที่เราได้ทำไว้คือบุญหรือบาปนี่จะเป็นผู้ที่ชี้ชะตาของใจว่าจะไปเป็นอะไรต่อไปถ้าทำบุญไว้มากกว่าทำบาป ใจก็จะไปเป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญใจก็จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกนี่คือที่ที่ไปของใจเวลาร่างกายตายไปนี้เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับ เวลาร่างกายนอนหลับนี้ร่างกายเหมือนคนตายร่างกายไม่ได้ทำอะไรนอนนิ่งๆแต่ใจนี้ยังทำงานต่อทำงานด้วยอะไรด้วยความฝันเวลาเรานอ น, อนหลับเรามักจะฝันกันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างฝันดีก็คือผลของบุญที่เราทำไว้นั่นเอง ฝันไม่ดีก็คือผลของบาปที่เราทำเอาไว้แต่มันจะฝันไม่นานเพราะร่างกายจะตื่นขึ้นมาร่างกายนอนพักอยู่ห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาฝันก็หายไปแล้วเราก็กลับมาที่ร่างกายมาสร้างเหตุที่ร่างกายต่อไปมาทำเหตุที่ร่างกาย แล้วก็รับผลที่เกิดจากการทําเหตุคือทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างทําแบบกลางๆบ้างแล้วมันก็จะสะสมไว้ในใจของเราไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอถึงวันตายทีนี้เราจะนอนหลับยาวเพราะตอนนั้นไม่มีร่างกายพอใจไม่มีร่างกายถ้าใจฝันดีใจก็ไปสวรรค์ตอนที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเชื่อไหม เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆตอนที่เราฝันนี้เหมือนกับตอนที่เราตื่นไปเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราตื่นถ้าเราฝันดีก็เหมือนกับเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นตอนที่เราฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์เพราะฝันดีจะมีแต่เรื่องดีๆให้เราได้สัมผัส ร, รับรู้นั่นเอง ได้ไปดูสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่สวยที่งามได้ไปพบกับเหตุการณ์ที่ดีอะไรต่างๆเป็นเรื่องของความดีทั้งนั้นเวลาฝันดีนี่คืออนิสง์หรือผลที่เกิดจากเหตุคือการทำบุญคิดดีพูดดีทำดีถ้ามันมีมากกว่าบาปมันจะมีกำลังมากกว่า บาปยังไม่สามารถที่จะแส ด, แสดงผลได้บาปจะต้องรอในโอกาสหนะ้ารอในโอกาสที่บุญนี้น้อยกว่าบาปเมื่อบุญน้อยกว่าบาปบาปถึงจะส่งผลขึ้นมาตอนที่เราตายไปนี้บุญกับบาปที่เราทำนี้จะมาบวกลบคูณหารกันมาดูว่าใครมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่ากันบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ให้เราฝันแต่เรื่องที่ดีจนกว่าเราจะตื่นขึ้นมาใหม่ตอนตื่นก็คือตอนที่เราเกิดใหม่นั่นเองตอนที่เราได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยพอออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาก็ตื่นจากความฝันอันยาวอาจจะฝันเป็นร้อยปีพันปีก็ได้ กว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นก็ต้องอยู่ที่บุญและบาปเท่านั้นเป็นผู้ที่จะผู้ให้ความสุขหรือความทุกข์กับเราถ้าเราฝันไม่ดีแสดงว่าเราไปอบายฝันด้วยความกลัวก็เป็นอสู ร, รกายเป็นผีฝันด้วยความโลภมีแต่เรื่องโลภเรื่องหิวเรื่องโหยเรื่องอยาก กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไปที่ไหนก็รู้สึกอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็เรียกว่าเปรตถ้าฝันมีแต่เรื่องโหดร้ายทารุนเครียดแค้นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทฆ่าฟันกันอันนี้ก็เรียกว่านรกอบอายมีอยู่สีที่อยู่ที่เหตุของการทำบาปถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต จะหิวอยู่เรื่อยๆจะมีอะไรเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอรู้สึกว่าอดอยากขาดแคลนหิวโหยตลอดเวลาถ้าทาบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นผีเป็นอสูรกายมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่เรื่องราวที่สร้างความหวาดเสียวหวาดกลัวให้ตลอดเวลาถ้าทำบาปด้วยความมาฆาดพยาบาทโกรธเกลียดเครยียดแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย น้ํงแค้นกันฆ่ากันฟันกันทำร้ายกันเวลาตายไปก็จะไปฝันอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่านารกเนี่ยถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเป็นเดรลฉานอยู่แบบเดรลฉ า, านเดลฉานก็ไม่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นบาปเขารู้ว่าต้องกินเมื่อหิวก็ต้องหาอาหารมากินอาหารก็ กินอะไรที่หาได้ถ้าเป็นสัตว์ที่เล็กกว่ากัดกินได้ก็จะกัดกินสัตว์นั้นไปก็ทำบาปด้วยความไม่รู้ทำบาพเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยอันนี้ตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานกันต่ อ, อนี่คือรู้การรู้เหตุรู้ผลแล้วยังมีอีกผลหนึ่งที่เรายังไม่รู้กันผลที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกัน ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนั้นทำอย่างไรก็มีเหตุเหมือนกันเหตุที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็ไปนิพพานเหตุที่จะทาให้เราไปนิพพานก็คือการกำจัดความโลภความโกรธความโงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนี่คือเหตุที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมารับผลบุญผลบาปตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปความอยากที่เราต้องกำจัดมีอยู่สามข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งคือความอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนีความอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไปกินอยากไปดื่มอยากจะทําอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลินกายแม้กระทั่งการร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็เป็นความอยากทางตาหูจมูกลินกายเรียกว่าการเสพกามต้องละการเสพกาม ทุกรูปแบบไม่เสพดูได้ฟังได้แต่ไม่ได้ดูด้วยความอยากฟังด้วยความอยากมีตาก็ยังดูได้มีหูก็ยังฟังได้แต่อย่าไปอยากดูอยากฟังอยากไปอยู่อยากฟังเพลงนั้นฟังเพลงนี้ดูหนังเรื่องนั้นดูหนังเรื่องนี้ถ้าอยากแบบนี้เรียกว่ามีความอยากที่จะเสพกามอยู่ ถ้ามีความอยากต้เสพการก็จะต้องมีร่างกายถึงจะเสพได้เพราะร่างกายจะมีตาหูจมูกนิ้นกายเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากเสพรูปเสียง ก, กลิ่นรสไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยาก น, นี้มันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะพาให้กลับมาเกิดใหม่ พาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่เพื่อให้พ่อแม่สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาพอพ่อแม่สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาก็กลับมาเกิดพอได้ร่างกายใหม่ก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายนี้มาเสรรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติตายแล้วก็ไปรอเกิดใหม่ ะระหว่างที่รอรอร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบาปไว้มากกว่าบุญก็ไปรับผลบาปไปฝันร้ายขณะนั้นร่างกายเหมือนร่างกายตายไปเหมือนร่างกายนอนหลับใจก็จะฝันไปถ้าทาบาปถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะฝันร้ายไปเรื่อยฝันไปจนกว่าจะตื่น เกินก็ตอนที่ได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็หยุดฝันแล้วก็มาใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปนอกจากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นคืออยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่ก็เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากได้าดลามยศสรรเสริญ อยากได้รางวัลเห็นไหมแต่งแข่งกีฬากันแข่งอะไรกันเพื่ออยากจะได้รางวัลกันได้เหรียญทองได้รางวัลความอยากเหล่านี้ก็จะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอไม่มีร่างกายก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอก็ไปนอนก็ฝันไปฝันดีฝันร้ายไปตอนที่ถ้าบุญพาไปก็ฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆ พอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ถ้าบาปพาฝันก็จะฝันแต่เรื่องไม่ดีเรื่องหวาดเสียวเรื่องหน้าหวาดกลัวเรื่องเครียดแค้นโกรธเกียดอาฆาตพยาบาทต่างๆนี่คือความอยากชนิดที่สองที่จะพาให้เรากลับมาเกิดกันความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบนั่นเอง สิ่งไหนเราไม่ชอบเราก็จะอยากไม่ได้มันอยากไม่ได้ความยากจนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นอยากจะไม่พบกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายความอยากนี้มันก็จะทำให้เราดิ้นหนีเหมือนดิ้นหนีก็ดิ้นหนีเพื่อจะไปหาสิ่งที่ดีมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดนีกพอเกิดชาตินี้ไม่ดีก็อยากจะหนี คนบางคยฆ่าตัวตายเห็นไหมนั่นแหละคือความอยากความอยากไม่ไม่มีไม่อยากความอยากไม่มีความทุกข์อยู่แล้วทุกข์ก็เลยไม่อยากจะอยู่ก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายความอยากที่จะมีความสุขมันก็จะพาไปหาร่างกายอันใหม่ดีร่างกายอันนี้เพื่อที่จะไปเจอร่างกายอันใหม่ในช่วงที่รอไปเกิดก็จะฝันดีฝันร้าย พวกที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่นี้จะฝันร้ายกันเพราะเป็นบาปที่แรงมากหนักมากพอตายไปนี้ก็จะฝันร้ายไปจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่แทนที่จะทนอยู่ต่อไปสักพักแล้วตายแบบไม่ฆ่าตัวตายก็จะไม่ฝันร้ายแล้วจะดีกว่าที่ฆ่าตัวตาย พราเวลาฆ่าตัวตายนี่มันทุกข์มากมันทรมานใจมากไม่มีใครอยากจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวอย่าฆ่าตัวตายอดทนเอาไว้ดีกว่าทนกับความทุกข์ยากลำบากไปเดี๋ยวก็ตายแล้วคิดอย่างนี้ตายแล้วถ้าตายอย่างสงบเราก็จะฝันดีจะไม่ฝันลายแต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ ความอยากทั้งสามนี้จะหยุดมันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหยุดด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามทั้งหมดนี้ได้เวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปซื้อไปทำบุญแทนอันนี้ก็จะหยุดการไปเที่ยวได้ พอไม่มีเงินเอาเงินไปทําบุญก็ไม่มีเงินไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวต่อไปก็ไม่ได้ก็เลิกเที่ยวได้พอเราอยากแล้วเที่ยวแล้วเราไม่เที่ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปเรา อ, อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเรามีอยู่เต็มตู้แล้วพออยากจะซื้อชุดใหม่ก็เอาไปเอาเงินที่จะไปซื้อชุดใหม่นี้ไปทําบุญแทน ถ้าทำอย่างนี้ความอยากที่จะไปาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากการซื้อของใหม่ๆหรือจากการไปเที่ยวมันก็จะหมดไปนี่ทาไมเราจึงต้องทำทานกันทำบุญกันถ้าเรามีเงินแล้วอย่าทาเพื่อให้เกิดพบชาติถ้าเราทำตามความอยากนี้มันจะเป็นการก่อพบก่อชาติเพราะความอยากมันจะไม่หมดความอยากมันจะมีเพิ่มขึ้นไปอีก ต้องการให้ความอยากมันน้อยลงไปเราต้องเอาเงินที่เราจะาไปใช้ตามความอยากนี้มาทำบุญกันเช่นวันเกิดอยากจะจัดงานเลี้ยงหรืออยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เปลี่ยนใจเอาเงินมาทำบุญดีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวมาวัดมาอยู่วัดมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมถ้าปฏิบัติทำได้ก็อยู่วัดปฏิบัติธรรม อย่างนี้จะช่วยตัดภพชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวกันฉลองวันเกิดกันซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของของขวัญอะไรต่างๆกันอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการเกิดให้มีมากขึ้นไปเพราะมันจะมีความอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งทำไมเราต้องทําทานทําบุญ เพราะว่าเราจะได้ตัดความอยากใช้เงินไปในทางที่เสียหายต่อจิตใจคือเป็นการทำให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้เงินตามความอยากแต่การทาบุญนี้ไม่ได้ใช้ด้วยความอยากใช้พอเห็นใช้ด้วยเหตุผลเห็นว่าคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะได้มีความสุขบ้างเรามีเหลือเฟืออยู่แล้ว เสื้อผ้าดูเด็กที่เขาขาดแคลนเด็กมีเด็กเยอะที่ไปโรงเรียนที่มีเสื้อผ้าไม่ไม่พอใส่มีชุดนักเรียนไม่พอใส่เดือดร้อนแต่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจอถ้าเราเป็นคนที่คิดซะหน่อยเราก็ลองไปว่าไปตามโรงเรียนดูถามครูที่โรงเรียนดูวว่าโรงเรียนนี้มีเด็กใครขาดแคลนเสื้อผ้าชุดนักเรียนบ้าง ขารขาดรองเท้าบ้างใารขาดอุปกรณ์การเรียนบ้างจะบริจาคให้แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปกินไปดื่มกันเป็นการเสพกามเราอยากจะระ ง, งับการเสพกามเราก็เอาเงินมาใช้ในทางการทำบุญแล้วต่อไปเราจะเลิกเสพกามได้ทุกปีเวลามีวันเกิดก็ไม่จัดงานเลี้ยงแล้วจะไปทำบุญกัน จะไปทำบุญแบบไหนก็ได้ที่เราชอบไปทำบุญที่วัดก็ได้ทำบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ทำบุญที่โร ง, งเรียนก็ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่กับใครก็ได้ให้เขาได้มีความสุขบ้างจากการกระทำของเราแต่เป้าหมายของการทำบุญของเราที่แท้จริงก็คือเราต้องการกําจัดความอยากสาประการนี้ คือความอยากเสพการความอยากล่ำอยากรวยวิธีที่จะทำให้เราไม่รวยก็คือเอาเงินไปแบ่งให้คนอื่นใช้รับรองได้ว่าจะไม่มีวันรวยแล้วต่อไปจะไม่อยากรวยเพราะรวยไม่รวยมันก็อยู่ได้เหมือนกันรวยก็อยู่ได้ไม่รวยก็อยู่ได้ความอยากรวยมันจะทำให้เราดิ้นนนอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเชื่อไหมตอนต้นก็อยากได้สักล้านหนึ่งรวยสักล้านหนึ่งก็ดีใจ พอได้ล้านแล้วทีนี้มันก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านมันก็อยากจะได้ร้อยล้านมันก็อยากขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อไม่พอใจก็ไม่มีความสุขนี่คือวิธีกําจัดความอยากเบื้องต้นคือการทำทานเอาเงินที่เราจะไปใช้ความตามความอยากต่างๆเอาไปทำบุญทำทานเสีย ข้อที่สองวิธีกําจัดความอยากคือเวลาเราอยากจะทําบาปทำร้ายผู้อื่นเราก็ต้องหยุดมันห้ามมันด้วยการรักษาศีลด้วยการเห็นโทษของการทําตามความอยากทำร้ายผู้อื่นว่ามันจะเกิดความเสียหายมากกับเรามากกว่ากับผู้อื่นเราไปทำร้ายเขาแล้วใจของเราจะวุ่นวายไปนานกว่าเขาเขาอาจจะเจ็บตัวเดี๋ยวเดียวไปทุบเขาตีเขาเดี๋ยวเดียว แต่เรานี่จะไม่สบายใจไปอีกนา น, นนี่ก็วิธีที่สองที่จะกำจัดความอยากเพราะว่าเวลาเรามีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่สามารถมีเงินซื้อได้เราก็อาจจะต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาซื้อนั่นเองถ้าเรากำจัดความอยากซื้อของได้การการที่เราจะไปขโมยเงินของคนอื่นมาซื้อของก็จะไม่ต้องทำ หรือถ้าจะทำก็ใช้ศีลห้ามไว้รักษาศีลห้าไปแล้วเราก็จะห้ามความอยากได้ห้ามการกระทาที่ทำให้เกิดทุกข์กับเราได้ห้ามห้ามการสร้างความฝันไม่ดีได้เวลานอนหลับเราจะไม่ฝันไม่ดีถ้าเราไม่ทาบาปนี่เรานอนหลับเรามีแต่จะฝันดีทุกคืนที่เราฝันร้ายเพราะเกิดจากการทำบาปของเรานั่นเอง พอเรารักษาสีลห้าได้เราก็ต้องมาหยุดความอยากอีกระดับหนึ่งคืออยากเสพกามการอยากเสพกามนี้นอกจากการใช้เงินไปซื้อแล้วเรายังต้องใช้ศีลรงับมันด้วยศีลก็คือศีลแปดเช่นวันนี้วันพระถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะหยุดร่วมหลับนอนกับแฟนหนึ่งคืนอยากนอนก็ไม่นอนแยกห้องกันหรือแยกที่อยู่กัน ให้แฟนอยู่วัดเราอยู่บ้านหรือเราอยู่วัดแฟนอยู่บ้านะจะได้ไม่ต้องร่วมหลับนอนกันแล้วก็หยุดความอยากกินอาหารแบบไม่มีเวลาเวลาอยากกินตามความอยากเราก็ต้องหยุดมันอาหารนี่ความจริงกินเพื่อให้ร่างกายอยู่เลี้ยงดูร่างกายอาหารไม่มีเลี้ยงดูเลี้ยงร่างกายอาหารไม่ได้มีไว้สําหรับเลี้ยงดูความอยากแต่เราใช้อาหารผิดประเภท จุดวัตถุประสงค์ของอาหารอาหารนี้มีไว้เลี้ยงดูร่างกายแต่เรากลับไปเลี้ยงดูตันหาความอยากกินกันแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนกินวันแล้วไม่รู้กี่ครั้งกินอยู่กระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มขึ้นมาเ น, มเนี่ยกินตามความอยากมันจะเป็นอย่างนี้นจะเกิดโทษมากกวเกิดประโยชน์ประโยชน์ก็คือความสุขเดียวยวตอนที่ได้กินเท่านั้นเอง แต่โทษที่ยัดมากับร่างกายมันมีสาหัสมีมากมายโรคภัยต่างๆก็จะตามมาเบาหวานความดันไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรต่างๆมันจะตามมาหมดถ้าเรากินมากเกินไปเป็นอันตรายเป็นโทษทางร่างกายและเป็นทางโทษทางใจทางใจก็จะหิวอยู่ตลอดเวลา กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะผู้ที่กินไม่ได้ไม่ได้เป็นใจความอยากไม่ได้กินผู้ที่กินคือร่างกายร่างกายอ้วนเอาอ้วนเอาแต่ใจกับผอมเมาผอมเมาผอมด้วยความอยากยิ่งอยากกินก็ยิ่งกินเพราะยิ่งกินก็ยิ่งอยากขึ้นมาอีกยิ่งหิวขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราต้องมาหยุดมัน้วยการถือศีลแปด ให้มันกินตามวัตถุประสงค์ของการกินจริงๆก็กินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองร่างกายนี้ได้กินวันละหนก็อยู่ได้แล้วกินวันละครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติรรมให้กินอาหารวันละครั้งเดียวก็พอกินมื้อเดียวจะได้อจะได้ไม่ต้องมาเสพความอยากกันเอ จะตัดความอยากในเรื่องของอาหารได้และมีประโยชน์หลายอย่างด้วยเพราะการกินครั้งเดียวก็ไม่วุ่นวายไม่เรื่องมากกินหนเดียวกินแล้วก็จบแล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมด้วยถ้ากินหลายหนมันก็จะเป็นอุปสรรคเพราะจะเสียเวลาเดี๋ยวก็กินอีกแล้วพอะจะไปเดินจงไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระสดันเดี๋ยวก็ต้องกินข้าวอีกแล้ว ก็จะไม่ทำได้อย่างต่อเนื่องอยถ้ากินหนนเดียวแล้วมันก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเรด็วเหมือนรถรถด่วนไม่ต้องจอดแวะตามสถานีต่างๆจอดหนนเดียวขึ้นจากสถานีนี้แล้วก็ไปจอดที่จุดหมายปลายทางเลยรวดเดียวจบการรับประทานอาหารก็เพื่อตัดความอยากท้ง ทางตาหูจมูกลินกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารต้องถือศีลแปดถึงจะตัดความอยากได้ในอีกระดับหนึ่งนคือถ้าเปรียบเทียบถ้าทำทานนี้ก็เหมือนกับการการตัดใบไม้ของต้นไม้ถ้าเราถือศีลได้แล้วมันก็ตัดกิ่งไม้มันก็จะทำให้ต้นไม้นี้ โตยากขึ้นโตน้อยลงโตช้าลงถ้าเราอยากจะตัดให้มันตายแล้วต้องตัดต้นตัดต้นมันยังไม่ตายเราต้องถอนรากของมันขึ้นมาจากดินต้นถึงมันจะตายความอยากนี่ก็เหมือนต้นไม้ตอนต้นเราก็ตัดใบมันก่อนด้วยการทำบุญทาทานเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปทำบุญทาทานแล้วเราก็มาตัดกิ่งตัดก้านมัน ด้วยการรักษาศีลห้าศีลแปดศีล8ศีลห้ามันก็จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำตามความอยากไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะตัดต้นมันเราก็ต้องมาจเจริญภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้ก็เป็นการกาจัดความอยากมีสองขั้น ขั้นที่หนึ่งกำจัดแบบชั่วคราวขั้นที่สองกำจัดแบบถาวรขั้นที่หนึ่งก็เหมือนกับการกับการตัดต้นต้นของต้นไม้พอต้นไม้ถูกตัดแล้วนี่ใบก็ไม่มีกิ่งก้านก็ไม่มีแต่มันยังไม่ตายมันยังงอกขึ้นมาได้อยู่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะมีกิ่งมีก้านออกมาใหม่ได้ถ้าต้องการให้มันตายเราก็ต้อง ถอนรากมันขึ้นมาจากดินการถอนรากของตันหาความอยากออกจากดินเรียกว่าภาวนาการตัดต้นนี้เรียกว่าการตัดต้นนี้เรียกว่าสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบการถอนรากของต้นไม้ของความอยากออกจากดินก็คือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนามีสองขั้นขั้นตอนขั้นแรกต้องตัดต้นก่อน ตัดต้นด้วยการสมัตภาวนาทำใจให้สงบเวลาใจสงบความอยากก็จะทำงานไม่ได้ความอยากมันเกิดจากมันจะทำงานได้ต่อเมื่อใจเริ่มคิดก่อนพอใจคิดถึงกาแฟมันก็จะอยากกาแฟขึ้นมาพอคิดถึงหนังก็อยากจะดูหนังขึ้นมาพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ เหขั้นต้นเราต้องหยุดความคิดเพื่อจะหยุดความอยากพอใจหยุดคิดใจสงบใจก็จะเย็นจะสบายเพราะความอยากหยุดทำงานความอยากนี่แหละที่ทำตัวทำทำให้ใจเราไม่สบายทำให้ใจเราร้อนพอเราหยุดความอยากได้ความร้อนใจก็หายไปความเย็นใจก็โผล่ขึ้นมาความอิ่มใจสุขใจก็โผล่ขึ้นมา เวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบเราจะมีความสุขมากพอตอนนั้นความอยากมันหยุดทำงานชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาเดียวเดียวพอเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความร้อนใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะกาจัดความอยากเหล่านี้ให้มันหมดไปเราต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรก็คือความจริง ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าการทำตามความอยากนี้จะพาให้เราไปเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องวาวุ่นวายเรื่องทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งที่เราได้มามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากลราไปหรือมีปัญหามันเปลี่ยนไปของดีกลายเป็นของไม่ดีได้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้ เราไม่รู้เราคิดว่าเขาจะดีไปตลอดพอเราไปอยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไม่เป็นไม่ดีขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นกระสอบทรายไปให้เขาซ้อมขึ้นมานี่ถ้าเรามีปัญญาเราคิดซะ ก, ก่อนว่าเขาไม่ดีไปตลอดน ะ, <_ C ities> เ, ะเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ให้คิดความจริงถ้าเราคิดความจริงแนละ้วเราก็จะ เลิกอยากได้สู้อยากอยู่กับความสงบดีกว่าหยุดความอยากให้ใจสงบมีความสุขกว่าการไปทำตามความอยากต่างๆถ้าเราคิดด้วยปัญญาแบบนี้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็บอกไม่เอาเพราะเราจะต้องไปเจอความทุกข์อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหรือเปลี่ยนไป พอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเดือดเดือเนื้อร้อนใจขึ้นมาถ้าเราคิดอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญามันจะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่กับความสงบได้สู้กลับมาทำใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าพอความอยากหยุดเราก็จะมีความสุขและความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ มันก็ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่คือปัญญาวิปัสนาภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปพอเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่เอาดีกว่าเราก็หยุดความอยากได้เลิกทำตามความอยากได้พอต่อไปเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรเรามีความสุขที่วิเศษอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เราถูกความอยากมันมาลบกวนมาลบล้างเท่านั้นเองถ้าเราทำลายความอยากได้ความสุขที่มีอยู่ในใจของเรามันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที น, นี่คือวิปัสสนาหรือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการที่เราจะมากำจัด ความทุกข์ต่างๆให้หมดไปกำจัดภพชาติการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อเราไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัสแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่า อยู่แบบมนุษย์ล่องหนไม่ต้องมีร่างกายแต่มีความสุขมากกว่าตอนที่มีร่างกายมีร่างกายนี่มีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลาเรื่องของร่างกายเองก็วุ่นวายพอสมควรนะต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยปกป้องรักษาดูมันแล้วดูแลยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสู้ไม่มีมันดีกว่าแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่ ง, งต่างๆผ่านทางร่างกายก็สู้ความสุขที่ได้จากการ การทำใจให้สงบไม่ได้ดังนั้นพอเราทาใจให้สงบได้กาจัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีมาเกิดใหม่แต่เราจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าตอนที่เรามีร่างกายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่มาเกิดใหม่กันเพราะท่านพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพวกเราก็จะได้พบเช่นเดียวกัน ถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนขั้นต้นก็ให้ทำบุญก่อนขั้นที่สองก็ให้ละบาปขั้นที่สามก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุและผลที่เราควรจะรู้กันที่จะทำให้เราสามารถอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่ทําตามเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้เรากระทาเราก็จะอยู่กับความทุกข์ต่อไปตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของเหตุของผลที่สำคัญก็คือเรื่องของรู้เหตุรู้ผลส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่เรารู้ไว้สำหรับการที่เราจะอยู่ร่วมกัน เช่นรู้ตนก็เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ในโลกนี้เขามีสมมุติสมมุติก็คือเรามีกฎระเบียบของการปฏิบัติของของสมมุติเราเป็นหญิงเป็นชายเราก็ต้องอยู่แบบหญิงแบบชายไม่ใช่เป็นหญิงไปอยู่แบบชายเป็นชายไปอยู่แบบหญิงมันก็มีปัญหาขึ้นมาเป็นพระไปอยู่แบบคารวะก็มีปัญหาขึ้นมาเป็นพระก็ต้องอยู่แบบพระ เป็นโยมก็อยู่แบบโยมเป็นหญิงก็อยู่แบบหญิงเป็นชายก็อยู่แบบชายก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือรู้รู้จักตนนะรู้จักบุคคลก็รู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นใครเขาสูงกว่าเราต่ำกว่าเราหรือเท่าเราเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับบุคคลต่างๆให้เหมาะสมกับฐานะของเขาถ้าเราไปปฏิบัติไม่ถูกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาได้นี่คือรู้จักบุคคล รู้จักสังคมก็รู้จักกฎระเบียบกฎกติกาของสังคมที่เราอยู่เขามีกฎระเบียบยังไงธรรมเนียมอย่างไรเวลาไปมาหากันเขาทำอย่างไรไหว้กันไปมาลาไหว้อะไรทำนองนี้ก็เรียกว่ารู้รู้สังคมรู้กาลเทศะก็ให้รู้ว่า<บ>ควรจะควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรในเวลาใดเราไปสถานที่หนึ่งเขากำลังทำอะไรอยู่ เราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะทาอะไรในขณะนั้นเช่นตอนนี้เรานั่งฟังธรรมกันคนที่มาทีหลังก็มาถึงก็มาขอถวายสังฆทานนี้มันก็ไม่ถูกกาลเทศะก็ต้องรอให้เสร็จก่อนถึงเวลาถวายทานค่อยมาถวายอันนี้คือรู้รจักกาลเทศะอันสุดท้ายก็รู้ประมาณคือรู้ความพอดีทุกอย่างมันพอดีถึงจะมีความสุข พอดีในบริโภคปัจจัยสอาหารถ้าพอดีก็ก็ไม่เกิดโทษเช่นกินมากก็เกิดโทษกินน้อยก็เกิดโทษแต่ถ้ากินพอดีก็ไม่เกิดโทษเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้ามีพอดีก็ไม่เกิดโทษมีมากก็เกิดเป็นภาระต้องคอยเฝ้าคอยดูแลรักษามีมากก็ต้องกังวลมากมีน้อยก็กังวลน้อย ให้รู้จักประมาณแล้วชีวิตจะมีความสุขนี่นี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาศึกษาและนำเอาไปปฏิบัตินคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณถ้าเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติ ตามความรู้เหล่านี้ได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเป็นอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิติตังปฏตติตังตุ მ หังคิพเปเมวะสมิจจตุสะเภปเรนตุสังกปาจันโทปนะหะระโสยะธามณิโชติพะระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตปวัตวันตารโย สุขีทีคายุโกภาอภิวาทนาศลิะนิจังอุทธาปจายโนจตารโอธรมมวะทานติอายุวโนโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 477 y o ย t u b e 140ร้อยส วิทยุสี่สิบสารับฟังบนเขาหนึ่งร้ยหกรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยหกสิหค่ะมีผู้ติดตามทุกวันทั้งที่มาที่นี่และตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกทุกต่างประเทศก็4ี่สิบกว่าประเทศในประเทศก็หกสิบกว่าจังหวัดที่ได้ส่งข้อความเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าได้ติดตามชม อย่างต่อเนื่องแล้วใครมีคำถามก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ อ, อยู่ที่นี่ก็ส่งข้อความได้ถ้าเปิดเครื่องได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนเป็นข้อความส่งเข้ามามีใครอยากจะถามอะไรไหมได เ, เดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนรอแป๊บเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้จะได้ดังไหย ก่อนจะได้ไดังได้ยินทั่วโลกเลยพูดใกล้ๆปากหน่อยค่ะอยากกเร<อ><อ>ียนถามพระอาจารย์นะคะ<อ>คือลูกชายทีฉันนะคะ<า><ๆ>เขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วก็อ่านภาษาไทยไม่ออกอยู่อยู่เมืองนอกคะ่ะทีนี้ก็จะมาเมืองไทยอยากจะมาลองปฏิบัติทำดูก็อยากจะทราบว่าจะต้องทํำยังไงคะอ่าเขาก็ต้องเรียนก่อนสิ คนจะทำอะไรก็ต้องเรียนก่อนถึงจะรู้ถึงจะทำได้อยากจะตีกอฟก็ต้องไปเรียนก่อนว่าตียังไงใช่ไหมก็ที่นี่ส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่เขาจะรับแต่คนที่ปฏิบัติเป็นแล้วถ้ายัางปฏิบัติไม่เป็นก็ต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนมาฟังก่อนมาฟังอย่างวันนี้แล้วก็มาถามเนี่ยว่าทำอย่างไร แต่ในในกรณีก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องมีหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยที่อาคารหลังนู้นจะมีมีชั้นตั้งหนังสือภาษาอังกฤษไว้หรือเข้าไปฟังใน YouTube ก็ได้เรามีภาพภาษาอังกฤษให้เขาเสิร์ชคำว่าดัม in English กฤษในยู u ูปก็เขาจะมาอาทิตย์หน้าก็เลยว่ามามาเรียนถามพระอาจารย์ก่อนว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่า ถ้าถ้ายังไม่รู้เรื่องเลยก็จะมาที่นี่ลําบากเพราะว่าที่นี่จะไม่มีใครนําพาปฏิบัติต้องปฏิบัติเองต้องรู้ที่นี่ให้สถานที่ที่สงบที่ไม่วุ่นวาย ค, คนปฏิบัตินี้ต้องรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ยังไม่รู้ก็ต้องเรียนก่อนฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนค หรือมาถามก็ได้มาถามก็ได้คือบอกได้แต่มันถ้ายังไม่มีความพร้อมมันปฏิบัติไม่ได้หรอกการปฏิบัตินี่มันไม่เหมือนกับทําอะไรอย่างอื่นมันยากที่สุดเพราะมันต้องมีทั้งศีลทั้งสติต้องคอยควบคุมใจกายวาจาอยู่ตลอดเวลางั้นถ้าจะพาเข้ามาพระอาจารย์ถามแล้วก็ อาจารย์พูดาภาษาอังกฤษให้เขาฟังอะไรเงี้ยเ็าจะได้ไปศึกษาอย่างนี้ได้ไหมคะได้ได้เขามาถ้าเขาอยากจะถามอะไรก็ถามได้ค่ะนันก็ขอเรียนถาถ้าเขาไม่อยากมาเขาไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้ในไปในเว็บไซต์ก็ได้ที่ป้ายสีน้ำเงินนี้เขาจะมีเขียนวิธีเขา้าเข้าไปติดตามหาความรู้จากาเว็บไซต์หรือจาก Facebook, YouTube ได้ค่ะค่ะ ขอพระคุณค่ะอาจารย์อขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าครูกายสบายเลยขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะตั้งแต่มาได้วนอยู่ที่นี่ก็ได้ความรู้จากท่านพระอาจารย์อย่างสูงสุดเจ้าค่ะแด้พลาดโอดกาสจากท่านหลวงตาก็มาสํานึกได้ทีหลังเจ้าค่ะ S <S <S ก็มาโดยที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากพอมาที่นี่ก็ได้รับคําสอนจากท่านพระอาจารย์แบบเต็มๆเจ้าค่ะต้องน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามใช่ไหมคําถามเหรอเจ้าค่ะ <S <S อ๋อคดีมียังมีข้อสงสัยอยู่เจ้าค่ะคือ เวลาปฏิบัตินี้นั่งได้นานค่ะแต่ว่าบางครั้งเพระาะว่าจาคำจากที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าให้นั่งไปเรื่อยๆถ้าสงบก็นั่งไปพอนั่งไปก็นานมากค่ะก็มาสาักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือน อ, อบนหัวค่ะขนขนลูกขนหัวลูกแล้วก็มีควันพุ่งในความรู้สึกค่ ะ, คะ อย่างนี้ผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอก oh, ถ้านั่งอยู่เฉยๆได้ไม่ผิดะ oh. ปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้อยู่เฉยๆเท่านั้นเองเจ้าค่ะไม่ไปทํากรรมไม่ให้ไปทรรํ oh. าตามความอยากเวลาอยากนั่นแหะต้องต้องหยุดมันให้ได้ถ้านั่งเฉยๆได้อแล้วมีความสุขก็ปัญหาก็จบ oh. ปัญหาของคนเราก็อยู่ไม่เป็นสุขกันใช่ไหม oh. ให้อยู่เฉยๆแล้วมันไม่สุขอยู่แล้วเครียดกันอยู่เฉยๆแล้วเครียดกัน ต้องไปมีนู่นมีนี่ต้องไปฟังนู่นฟังนี่กันแล้วพอไม่ได้ดังใจยอยากก็เสียใจยอีกวุ่นวายไปหมดเพราะความอยากถ้าเราสามารถหยุดความอยากนั่งเฉยๆได้แล้วมีความสุขก็จบแล้วแค่เท่าทนั้นเองออนั่งมันไปทุกจนมันตายเลยให้ทำอย่างนี้ไปไม่ต้องทำอะไรสาธุดูเจ้าค่ะอ่าทำไปทางนี้ก่อน พูดกล้ๆปากนะถึงจะได้ยินเสียงอยากจะกลาบเรียนถามพระอาจารย์ยังไม่นั่งพอยังไม่นั่งพอค่ะอยากจะกลาบเรียนถามพระอาจารย์พูดไม่ตรงพูดไม่ตรงให้มันตรงหน่ยตรงนี้แหะค่ะค่ะเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับพันิพานนะคะที่ที่พระอาจารย์ได้ได้ได้ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะคะคืออยากจะทราบว่าสภาวะของพันิพาณเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วก็ ยังมีจิตหรือ ว, ว่ากายทิพย์อยู่หรือเปล่าคะอ๋อสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นหรอก <c oughs> ถ้าอยากจะรู้นิพพานเป็นยังไงก็กําจัดติเลสตันหาให้มันหมดไปจากใจใจนี้ก็คือกายทิพย์อยู่มันก็ยังอยู่มันไม่เหมือนเสื้อผ้าที่เราไปซักนี่พอซักมันสะอาดแล้วเสื้อผ้ามันหายไปหรือเปล่าเวลาเราซักเสื้อผ้านี่เราซักเพื่ออะไรซักเพื่ออะไรเพื่อกําจัดสิ่งสกปร ก, กที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าใช่ไหม พอซักเอาสิ่งกระปกส ก, กรปรกออกจากเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันหายไปหรือเปล่ามันก็ยังอยู่เห็นไหมใจก็คือกายทิพย์นี่แตอนนี้มีร่างกายมันมาเกาะร่างกายไว้เท่านั้นเองแต่พอใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใช้ร่างกายก็พอไม่มีร่างกายมันก็ไม่ไ ม, ไม่มีร่างกายอันใหม่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบมนุษย์ล่องหนไงบอกนะ อ้าวนี่พูดอยงนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรออะไรวะก็จิตก็คือใจใจก็คือจิตที่ได้รับการชาระจนสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็เรียกว่านิพพานเพราะใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาใจที่นิพพานจะไม่มีร่างกายใจที่มีกิเลสมีตัณหาจยังจะต้องมีร่างกายต่อไปเท <Yeah. S 1> ่านั้นเองใจยังยังไม่เข้าใจ ต้องลองไปปฏิบัติดูถึงจะเข้าใจอ่ามีใครอยากจะถามยังไหมจะส่งไม์กับโฟนไปให้ถามได้ไม่คิดราคาไม่คิดค่าคำถามอ่ายกมือขึ้นอ่าเปลี่ยนไม่แล้ววิธีนั้นไม่ดีกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาที่เราขับรถติดๆอยู่ในกรุงเทพอะค่ะเราควรเปิดทาให้บิรยายฟังหรือว่าเราจะอยู่กับบริกรรมหรือว่าอยู่กับลมหายใจดีคะ อ, อ๋อถ้าอยู่กับบริกรรมได้จะดีกว่าหมายความว่าแต่ก็ต้องอยู่กับการขับรถเป็นหลักก่อนไม่ใช่บริกรรมไปไม่สนใจว่าข้างหน้าเป็นอะไรรถเขาหยุดแล้วไม่หยุดก็ชนกันนี้ไม่ได้ือขับรถก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถ แล้วถ้าใจมันฟุ้งอยากจะไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้คำบริกรรมหยุดมันแต่ต้องอยู่ที่การขับรถเป็นหลักการฟังทมแล้วขับรถไปเดี๋ยวบางทีเกิดอุบัติเหตุได้เกิดอะไรเหตุกระทหันเราอาจจะหยุดไม่ได้ถ้าเรามัวอยู่แต่มัวมัวแต่ฟังทำอยู่ไม่ได้อยู่ที่การขับรถเห็นเวลาทำอะไรนี้ต้องอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นหลัก แล้วถ้าใจมันยังจะหนีไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้คําบริกรรมดึงมันกลับมาดึงให้มันกลับมาอยู่ที่การกระทําของเราอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดแล้วใจมันจะลอยมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าทําอะไรก็จะเกิดการผิดพลาดเสียหายได้ยิ่งเราต้องมีสติอยู่กับการกระทําอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าเกิดมันไปคิดเราก็ใช้พุทโธคําบริกรรมดึงมันกลับมา ถ้าจะฟังธรรมก็รอเวลาที่เราไม่ต้องทำอะไรจะดีกว่าจะได้ฟังได้เต็มเต็มร้อยใจเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องอยู่กับการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ไประโยชน์ถึงจะเข้าใจเพราธรรมะเป็นเรื่องของเหตุผลพอเราฟังตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อไปทำอย่างอื่นมันก็จะขาดตอนไปพอเรากลับมาฟังอีกทีมันเป็นคนละเรื่องไปแล้ว แต่ถ้าถามว่าระหว่างฟังเพลงกับฟังธรรมะเวลาทำงานไปนี่เอาอย่างไรให้ดีกว่าก็ฟังธรรมดีกว่าฟังเพลงแตงแม้ว่าจะไม่ได้ร0อยเอร์เซ็นก็อย่างนั้นได้สักห้าสิบก็ยังดี ก, การเจ้าค่ะขออกาสนะเจะ้าค่ะใกล้ๆหน่อยมนะเอาไตั ว, ต, วตัวไม้ไม่ใช่ตัวเครื่องไอ้ตั ว, ต, วตัวที่เป็นปุ่มอ่ะ พอดีก็อยากจะส่งกันบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าจากที่ได้ขึ้นฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมนี้เกิดการสงบงิ่งนี่คือแปลว่าจิตคือเราสามารถสัมผัสว่าจิตนั้นอยู่ในกายก็คือเขาไม่ส่งออกนอกอะเจ้าค่ะอันนั้นก็คือว่าการ การฟังธรรมคือจิตเราอยู่กับเสียงที่พระอาจารย์แสดงและเราก็มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในกายอันนั้นก็คือว่าการการที่เราเนี่ยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เรานั่งปฏิบัติถูกต้องไหมเจ้าคะถ้านั่งฟังก็ต้องมีสติโยกับเสียงที่เราฟัง อย่าไปอยู่ทุกที่อื่นอย่าไปอยู่ที่ที่ทททททตัวที่ท้องที่ไหนให้อยู่ที่เสียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเราก็รู้สึกว่าบางครั้งจิตเราก็แว บ, บไปก็ดึงมันกลับม า, าใช่ค่ะก็มีสติตามรู้เจ้าค่ะอย่าไปตามมันต้องดึงมันกลับมาค่ ะ, ะแล้วทีนีอ้อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะเพื่อเพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของความไม่ประมาทก่อนที่ คือเคยทราบอยู่แล้วนะคะว่าก่อนที่คนเราเนี่ยจะตายหรือว่าไม่ว่าในสภาวะไหนเจ้าค่ะสำหรับตัวโยมเนี่ยก็อยากจะขอคําแนะนำพระอาจารย์ว่าในทุกขณะจิตของเราอะค่ะเราก็ควรจะแบบน้อมนึกหรือว่าสวดมนต์คือคําบริกรรมหรือว่าอิติปิโสอะไรต่างๆอะค่ะในขณะที่เรานึกได้อะค่ะเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเจ้าค่ะ คืออยากจะขอคำแนะนำเป็นการในการฝึกนะเจ้าค่ะเราก็ฝึกตลอดเวลาไงพระพุทธเจ้าบอกให้ให้เราลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายตายออกหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าเราลึกอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเราจะมีสติเวลาตายเราก็จะตายอย่างสงบไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัว ค่ะ mm hmm. แล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางครั้งโยมก็จะทําบ่อยอย่างบางทีนคะคะเออคือทํางานในกิจวัตรประจําวันนะเจ้าค่ะซึ่งบางทีเราก็จะชอบสวดมนต์ไปคืออิออออติปิโสอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์ว่าบางครั้งมันเป็นการสมควรไหมคะเพราะอย่างบางทีว่าถ้าในในขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยค่ะเราไม่ควรจะเปิดเทปสวดมนต์ทิ้งไว้หรือว่าในขณะที่เราสวดมนต์เราก็ควรจะแบบเหมือน เหมือนเป็นการเข้าฟ้องพุทธเจ้าอะค่ะเราก็ควรจะนั่งพนมมือหรือว่าน้อมจิตไปกับคำสวดมนต์หรือว่าบทสวดมนต์นั้นอคือการกระทำอะไรคนจะทำทีละอย่างจะได้ประโยชน์<ม>ทางจิตใจเพราะจิตใจจะได้อยู่กับที่อยู่กับเรื่องเดียว<ม>ทำงานก็อยู่กับงานที่เราทำถ้าสวดมนต์ก็อยู่กับการสวดมนต์ไปมันจะได้นิ่งมันจะได้สงบถ้าทำสองอย่างมันก็จะวิ่งกลับไปวิ่งกลับมา ไม่แต่โยมหมายถึงในชีวิตประจําวันซึ่งบางทีเราต้องทํางานก็ทํางานก็มีสติกว่างานไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสวดนอกจากมันฟุ้งซ่านก็เลยต้องใช้คําสวดมาช่วยระงับได้อยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะทํำถ้าไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยู่กับงานได้ก็อยู่กับงานไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นจะดีกว่าโอเคค่ะกล่าว่าพระคุณเจ้าข้าถ้ามันจะไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้คําบริกรรมใช้อะไรดึงกลับมาได้ นมัสการขอถามนิดนึงนะคะ อ, อยากจะขอทราบขออาจารย์แนะนำแนววิธีปฏิบัตินิดนึงนะคะทุกวันนี้ออก็เวลามีเวลาก็จะไปปฏิบัติที่วัดแต่ว่าส่วนใหญ่จะปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองอะคะ่ะที่บ้านหรือสถาน ท, ที่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้มีสติตลอดเวลาก่อนลืมตาขึ้นมาก็คอยควบคุมความคิด ถ้ามันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บริกรรมพุทโธหยุดมันไปหรือถ้าเรากำลังทำอะไรกำลังเดินกำลังยืนกำลังอาบน้าล้างหน้าแปลงฟันก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันคิดก็ต้องใช้คาบริกรรมดึงกลับมาแล้วพอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งสมาธิไปตอนนั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกแทน หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าไปควบคุมบังคับลมให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูตรงจุดเดียวคือที่จุดลมเข้าออกคือปลายจมูกอย่าไปคิดอะไรถ้าถ้าคิดก็ใช้พุทโธเดินกลับมาขอบคุณค่ะอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่สองเรื่องวิปัสสนาปัญญานี้ต้องรอให้ได้สมาธิก่อน ไม่มีทางนี้ก็เอาทางบ้านค่ะคำถามจากไลน์นะคะจากคุณแพตตี้กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีคนฝากถามว่าคนที่มักจะหยิบสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตโดยคนที่หยิบมักจะคิดว่าเป็นสิ่งของของคนในครอบครัวหยิบได้เลยไม่บาปจริงไหมคะ และเจ้าของสิ่งของจะทำยังไงดีคะเพราะเขาทุกจะถ้าเจ้าของไม่ให้ก็บอกเขเสียก็เป็นของที่หยิบไม่ได้แต่อยากจะได้ก็ต้องขออนุ ญ, ญาตก่อน <Okay. S 2> ถ้าบางทีอยู่ร่วมกันอาจจะถือวิสาสะว่าเป็นของส่วนรวมของใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็ต้องพูดคุยกันให้รู้ว่าอะไรเป็นของที่ขอหยิบไปได้โดยไม่ต้องขอของอันไหนต้องขอ ค่ะคำถามต่อไปนะคะจากคุณจิดาพราเพื่อนชวนไปงานแต่งงานลูกสาวแต่มีคอร์สปฏิบัติธรรมก็จะโดนเพื่อนติว่างดไปไม่ได้หรือครั้งเดียวแต่เราก็เลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมตามที่เราต้องการจึงรู้สึกผิดแต่ก็กลัวจะเสียเพื่อนรู้สึกทุกข์มากเลยเรียนถามว่าจะทำยังไงดีค ะ, ะเราก็ต้องเลือกนะ มันไปสองทีไม่ได้เราจะเอาทำเรื่องเอาจะเอาโลกเราจะเอาการเวียนว่ายตายเกิดหรือเราจะเอาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเรามาถึงทางแยกแล้วจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเลือกพระพุทธเจ้าก็ต้องเลือกถ้าท่านยังรักลูกยังรักเมียยังห่วงลูกห่วงเมียอยู่ท่านก็ไปไม่ได้ แต่ท่านเห็นว่าอยู่กับลูกอยู่กับเมียแล้วจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆท่านก็ไม่อยากจะอยู่ท่านก็เลยไปออันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะเลือกทางธรรมเพราะทางธรรมนี่พาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าทางโลกก็จะพาให้เราติดอยู่กับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิด ไปอย่างไม่มีวันส้นสุดเพื่อนหาใหม่ได้เยอะแยะไปเวลามาก็ไม่มีเพื่อนเวลาไปก็ไม่ได้เอาเพื่อนไปด้วยไปเสียดายเพื่อนทาไมคนก็ไม่ใช่มีคนเดียวคนมีเป็นแสนเป็นล้านไปที่ไหนก็มีเพื่อนหาเพื่อนใหม่ได้เยอะแยะไปถ้าอยากจะมีเพื่อนแต่มันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีทาไมอย่าไปมีเดี๋ยวก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกันอีกเดี๋ยวเพื่อนตายก็มาร้องห่มร้องไห้กันอีก ค่ะคำถามต่อไปนะคะจาก Facebook คุณใจบริสุทธิ์กราบนามาสการครับขอเรียนถามว่าถ้าเรายืมหนังสือจากห้องสมุดสงฆ์แล้วเราทําหายเราจะมีวิธีใช้นี่คืนอย่างไรให้ถูกต้องครับและถ้าเราไปหาซื้อหนังสือเล่มนั้นไม่ได้เราจะมีวิธีชําระหนี้อย่างไรครับให้ถูกต้องไม่เป็นบาปครับก็ทําได้เท่าที่ทำก็คือ ถ้ามีเงินก็บอยจากเงินไปเท่ากับราคาของหนังสือหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะเวลาไปซื้อเล่มใหม่มันอาจจะราคาขึ้นแล้วก็ได้ยังก็มอบเงินให้กับห้องสมุดเข้าไปค่ะคาถามต่อไปนะคะจากคุณอรยากราบเรียนถามค่ะฟังพระอาจารย์เทศทั้งเช้าและบ่ายเกือบทุกวันค่ะ เชื่อวาการให้ทานจริญสติและสมาธิศีนแปดแบบสม่ำเสมอตามแบบที่ท่านสอนนั้นสามารถทำให้เราทุกคนได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แน่แต่เมื่อได้ฟังท่านถามแม่ชีหมอเรื่องการปฏิบัติแล้วทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติที่จริงๆแล้วนั้นยากมากรู้สึกท้อแท้จิตเศร้าหมองและคิดว่า การปฏิบัติธรรมนี้มันต้องเกิดจากการสะสมมาจากภพชาติที่เราแล้วมาใช่หรือไม่ครับหากว่าภพชาติที่เราสะสมมาน้อยชาตินี้เราคงไม่อาจหลุดพ้นได้ใช่ไหมครกราบขอบพระคุณค่ะไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้ารับประกันแล้วถ้าสะสมในชาตินี้เจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ที่มีปัญหาก็คือความทอ้อแท้ความขี้เกียจมันมาบังไว้ท่านเองงั้นอย่าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มาหลอกเราพยายามอ่านพระสูตรที่พระเจ้าทรงรับรองรับประกันว่าถ้าปฏิบัติตามพระสูตรนี้ได้ไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีจะสามารถที่จะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนพระสูตรนี้ก็คือสติปัฏฐานสูตรลองไปเปิดดู ในท้ายพระสูตตอนที่ท่านจะจบเทศท่านจะบอกว่าถ้าปฏิบัติตามที่สอนได้ภายในเจวันเจ็เดือนและ7เจปีก็จะต้องบรรลุได้เพราะฉะนั้นเราโชคดีเพราะเราไม่ต้องสะสมมาไม่เหมือนกับตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนถ้ามไม่ไม่มีพระพุทธเจ้าบางคนก็ต้องอาศัยบุญเก่าที่ทำมาเป็นผู้สนับสนุนตตอนนี้เรามีบุญใหม่บุญจากพระพุทธเจ้ามอบให้เราฟรีๆเลย คุณก็คือวิชาความรู้วิธีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอมีคนสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอเราพยายามปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็ได้เองที่มันช้าหรือเร็วก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือความขยันมากน้อยต่างกันความอดทนมากน้อยต่างกันแล้วก็ความฉลาดที่จะคอยกําจัดอุปสรรคตัวที่มาคอยขวางกั้นมันมีต่างกันยังไ แต่รับรองได้ว่าไม่ต้องอาศัยบุญเก่าบุญเก่าไม่มีไม่มีปัญหาเรามีบุญใหม่จากพระพุทธเจ้ามอบให้กับเราคือการเจริญสติการเจริญปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าต่อให้มีบุญมากเท่าไหร่ก็รับรองได้ว่าไม่มีวันจะสำเร็จได้ภายในชาตินี้น้อยคนที่จะบรรลุได้ด้วยตนเองจะมีคนเดียวเท่านั้นในคนที่เป็น เป็นแสนเป็นล้านคนที่จะสามารถบรรลุดุดพ้นได้ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้านอกนั้นนี้จะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้พาไปชาตินี้เราโชคดีเราได้มาพบพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเราไม่ต้องคำทางไปเองพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดไม่รู้จักทางสู่การดุดพ้น ถ้าไม่มีคนรู้ทางมาพาไปเราก็จะต้องคำทางไปเหมือนคนตาบอดซึ่งรับรองได้ว่าถ้าคำไปเองไม่มีวันหลุดพ้นได้ไม่เชื่อลองลอ ง, ลองปิดตาดูแล้วให้กลับไปบ้านวันนี้เอาไลองให้กลับไปบ้านเองเนี่ยลองปิดตาแล้วลองเดินกลับไปดูเลยดูจะจะถึงบ้านหรือเปล่าไม่มีวันถึงหรอกถ้ามัน ยิ่งถ้าไม่มีคนถามไม่มีคนบอกทางด้วยเดินไปเจอใครเขาก็ไม่เขาก็ไม่บอกเราไม่รู้ว่าทางบ้านเราอยู่ที่ไหนไม่มีทางไปถึงบ้านได้แต่ถ้ามีคนรู้ทางเดี๋ยวเขาก็พาเราไปถึงบ้านได้ขอให้เราเดินตามเขาเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่เราขี้เกียจเดินกันยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยู่ยังติดอยู่กับความอยากทําอะไรตามนิสัยของเราอยู่เท่านั้นอันนี้แหละที่เป็นอุปสรรค ที่เราจะต้องคอยฝืนมันบังคับมันอย่าไปทำค่ะคำถามต่อไปจาก Facebook คุณสสิริภาทางพุทธศาสนาถือว่าผู้ป่วยโรคสมองตายร่างกายไม่รู้สึกแล้วแต่ยังหายใจได้อยู่หมดอายุไขหรือตายแล้วเจ้าคะ หากญาติญาติบริจาคอวัยวะของเขาเพราะไม่สามารถดูแลรักษาได้เขาจะกลายเป็นสัมภเวสีหรือไม่เจ้าคะเทางพุทธศาสนาถือลมหายใจเป็นหลักหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายต้องดูที่ลมหายใจนี่มนุษย์เรามันความโลภอยากจะได้อวัยวะของคนอื่นก็เลยมาบอกว่าตายแล้ว พอสมองตายก็เลยถือว่าตายแล้วยังไม่ตายก็มันยังหายใจได้อยู่เพียงแต่มันทำงานไม่ได้เท่านั้นเองสมองไม่สั่งการสมรองเป็นตัวสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ขยับแขนขยับขานี่ต้องใช้สมองเป็นผู้ ผู้รับคำสั่งจากใจอีกทีหนึง่งใจนี่เป็นคนสั่งให้ร่างกายขยับแขนขยับขาแต่ร่างกายจะขยับแขนขยับขาได้ก็ต้องรอสมองเป็นผู้สั่งอีกทีนึงพอพอสมองไม่สามารถสั่งได้ถึงแม้ใจจะสั่งให้ขยับมันก็ขยับไม่ได้แต่ร่างกายยังไม่ตายร่างกายยังหัวใจยังเต้นอยู่มันจะไปตายได้ไงแต่ความโลภของมนุษย์เราสมัยนี้มันอยากจะได้อวัยวะเพื่ อ, อไป เอาไปเปลี่ยนให้คนอื่นมันก็เลยบอกตายแล้วจะได้เอาอาไว้เอาวิญญาณไปให้คนอื่นต่อนต่อไประวังเนี่ยเราจะไม่ทันตายหมอเขาจะขอให้เราตายก่อนนะระวังไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอที่เขาอยากได้เงินจากการขายหัวใจหรือขายอะไรหรือไปทําการอาผ่าตัดผ่าเปลี่ยนตายเปลี่ยนหัวใจเขาก็อยากจะร อ, อหัวใจเราไปละพอเราสมองไม่ทํางานเขาว่าตายแล้ว ค่ะคำถามต่อไป a ฟ e บุ๊ k คุณอารยาค่ะกราบเรียนถามว่าถ้าถูกฆ่าตายจะฝันร้ายไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะตายแบบไหนไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราฝันร้ายที่ให้เราฝันร้ายก็คือการไปฆ่าคนอื่นเนี่ยจะฝันร้ายพอเวลาฆ่าเขาแล้วเราจะคิดว่าเขาจะมาฆ่าเราอยู่เรื่อยเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันว่าเขาจะมาตามฆ่าเราอยู่เรื่อย แต่เวลาที่เราตายถูกก้าวฆ่าตายมันก็ตายแบบไหนก็ได้เหมือนกันตายแบบอุบัติเหตุตายแบบหัวฟาดพื้นตายมันก็ตายเหมือนกันมันจะไม่มีทําให้เราฝันร้ายถ้าเราทําแต่ความดีทําบุญช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยเราก็จะฝันดีการตายนี่ไม่ได้เป็นเหตุให้ฝันดีฝันลายเหตุที่ทําให้เราฝันดีฝันร้ายก็คือการทําบุญหรือทำบาปทำดีหรือทําชั่วของเรา คําำถามต่อไปจะคุณมะนาวนมัสการเรานั่งสมาธิแล้วจะขึ้นวิปัสนาตอนไหนดีคะ อ, อ๋อก็ต้องถ้าเรายังไม่มีสมาธิก็ต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนต้องเข้าออกสมาธิได้เหมือนคนขับรถเนี่ยก่อนที่จะขับรถชำนาก่อนที่จะออกไปวิ่งบนถนนใหญ่ได้เราต้องขับตามซอกตามซอยตามที่เราหัดขับรถก่อนขับให้มันชำนาญควบคุมรถให้ได้ก่อน เบรกได้หยุดได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วเราค่อยออกไปถนนใหญ่การฝึกสมาธิก็เป็นการหัดขับใจควบคุมใจให้มันหยุดตามที่เราต้องการถ้าเรายังหยุดใจไม่ได้เราไปวิปัสสนาเดี๋ยวมันแทนที่จะวิปัสสนามันไปคิดถึงเรื่องกิเลสเรื่องของกิเลสมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเราก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดใจได้แล้ว กระดาษเราไปพิจารณาทางปัญญาเราต้องใช้ความคิดอย่างนี้แล้วบางทีคิดไปแล้วกิกเลสมันมาแย่งความคิดไปแทนที่จะให้คิดถึงถึงทางธรรมะมันให้ไปคิดถึงทางโลกทางความโลภความโกรธความหลงเข้ามันก็จะทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาได้แล้วถ้าเราไม่มีสติกําลังพอเราก็จะหยุดมันไม่ได้เหตุนี้เบื้องต้นเราต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ชํานาญก่อนสามารถหยุดความคิด สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยออกมาทางปัญญามาพิจารณาไตายรักอนิจจงทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาการ32สองของร่างกายต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณพิมพ์กราบนมัสการเจ้าค่ะขอเรียนถามค่ะที่พระอาจารย์บรรยายมาทำวันนี้ตรงประเด็นที่ดิฉันปฏิบัติมาทุกข้อเลย ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้อยู่กับสามี8ปีแล้วค่ะดิฉันไม่คิดที่จะมีสามีใหม่เลยเพื่อไม่เป็นการตอกกรรมไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงและไม่ชอบเที่ยวเลยค่ะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ที่อยากคือดิฉันอยากบวชค่ะถ้าบวชก็อยากบวชตลอดชีวิตทุกวันนี้ทานอาหารมังสวิรัตค่ะความอยากของดิฉันมีอย่างเดียวคืออยากไปนิพพานความไม่อยากคือไม่อยากเกิดอีกแล้วขอเกิดเป็ น, นุษย์ชน้ชาสุดท้าย จบกิจสิ้นสงสัยในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วค่ะถูกต้องความอยากแบบนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัวที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดการอยากบวชนี้เป็นการเป็นการตัดภพชาติไม่ใช่เป็นกิเลสอยากแบบนี้ดีอยากบวช ด, ดีอยากไม่เกิดดีแต่อยากไปอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บนี้ไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราทุกข์กันมีไหมคาถามหนึ่ง ส, สุดท้ายใช่มมีไหมมีอีกหกเจ็ดข้ออะรเอาข้อเดียวเพราะเวลาหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกลับมาใหม่ได้ค่ะกลับเรียนถามค่ะขนาดรับฟังพระอาจารย์เทศเปิดฟังที่บ้านแล้วง่วงนอนแล้วเราเอ็นตัวนอนฟังจะบาปไหมคะนอนก็หลับลนลส่วนใหญ่จะไม่บาปเนาะเพียงแต่ไม่ได้บุญ บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็จะไม่เกิดงั้นถ้าถ้ามันง่วงก็ช่วยไม่ได้ก็ปิดก็นอนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมาเปิดฟังใหม่ก็ได้เพราะนี้ฟังย้อนหลังก็ได้ฟังสดก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเอาแล้วเนวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา